วิธีที่จะเตรียมใจให้พร้อมนะสำหรับการเจริญปัญญาจิตใจของคนทั่วๆไปเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานย่จิตใจของเด็กของอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจมันเปลี่ยนตลอดเวลาส่วนนักปฏิบัติเนี่ยชอบมาบังคับจิตใจให้นิ่งๆกลับข้างกัน ที่จิตใจที่ดีที่สุดนะสําหรับการเจริญปัญญาจริงๆคือ จ, นะจิตใจแบบเด็กๆจิตใจที่ไม่มีมันยามากไม่วางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติจิตใจที่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเด็กๆเนี่ยมีข้อดีคือจิตใจเป็นธรรมชาตินักปฏิบัติเนี่ยมักจะมีจิตใจที่ผิดธรรมชาติ จะไปบังคับให้มันนิ่งมากกว่าความเป็นจริงแต่เด็กก็มีข้อเสียคือไม่เคยมีสติดีใจขึ้นมานะความดีใจก็ครอบงำใจของตัวเองเสียใจขึ้นมานะความเสียใจก็ครอบงำใจของตัวเองโลบโกรดลงขึ้นมาโนะกรธขึ้นมาก็ดิ้นตุมตามอลาวาดอยากได้ก็ไม่สนใจแล้วอันนี้ของใครอะไรนะีู่จะเอา เขาไม่มีสติที่จะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเขามีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติแต่เขาไม่มีสติที่จะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนักปฏิบัติเนี่ยมกักจะฝึกให้มีสติด้วยการจ้องเอาไว้บังคับตัวเองมันก็ไม่ดีเหมือนกันมีสตินะ หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยท้องพองก็รู้ท้องยุบก็รู้จิตสงบอยู่กับท้องไปเดินจงกรมไปยกเท้ายั่งเท้านะจิตไปอยู่ที่เท้านิ่งอยู่ที่เท้ามีสติกำหนดรู้เท้ากำหนดรู้ท้ทองขยับมือทำจังหวะก็กำหนดรู้มือจิตจ้องอยู่ที่มือจีก็นิ่งนิ่งจิตไม่มีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วอะไรอย่างเด็กๆไม่มีละ จะนิ่งๆงั้นทำยังไงเราจะมีหัวใจอย่างเด็กหัวใจไม่มีมารยาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นดิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกนีให้มันกระทบไปให้มันคิดนึกไปไม่ว่ามันหรอกแต่เราต้องมาฝึกให้มีสติเกิดขึ้นมีความสุขขึ้นมาให้รู้มีความทุกข์ขึ้นมาให้รู้นะ มีกุศลเกิดขึ้นให้รู้โลบกิดลงเกิดขึ้นให้รู้หัดรู้สภาวะไปหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ฝึกรู้สึกไม่ได้ฝึกบังคับหายใจนี่ก็หายใจธรรมดานี่เองหายใจอย่างที่เคยหายใจนี่เองแต่มีสติรู้ว่าร่างกายกำลังหายใจฝึกอย่างนี้ไม่ใช่ไปจ้อง ลมหายใจนะจิตก็ทื่อนิ่งจ้องอยู่ที่ลมจิตก็ทื่อๆเาสูญเสียการรู้ที่เป็นธรรมชาติไปรู้จักรอบไหมรอบเป็นไหมรลบใครรอบเก่งบ้างยกมือซิใครโกรธเก่งยกมือซิเนี่ยต้องเยอะกว่ารอบถ้าโกรธน้อยกว่ารบแสดงว่าหลอกลวง นะถ้าตามสถิติถามมาจากไหนไหนโกรธเยอะกว่าโลภมัจะลบโลภเน่จิตใจมันมีความสุขนะมีความสุขเราไม่ก็เบียดขาถ้าโกรธเนี่ยใจไม่ช่ำชื่นยุคของพวกเราเนี่ยพวกอกุศลแรงมาเกิดเราจะเจอของไม่ช่ำชื่นเยอะมากเลยนะนึกออกไหมสัมผัสสิ่งที่ชื่อโอชื่นใจกับสิ่งที่ไม่ชื่นใจอะไรเยอะกว่ากัน ภูมิเดิมพเรามาอย่างนี้แหละโทสะก็ครอบงำเป็นเป็นใหญ่อยากกลับบ้านเก่าก็แล้วกันนะอยากกลับไปที่เดิมพวกโทสะกล้าส่วนมากมาจากนรกแต่พวกเราไม่ใช่เพิ่งมานะ ส, สไตล์พวกเราแต่ละคนที่มาสนใจการภาวนาเนี่ย มานา น, ามานานแล้วแต่ยังคุ้นเคยมานานแล้วล่ะไมงไม่สนใจปฏิบัติหรอกแต่ยังคุ้นเคยอยู่พวกที่มาใหม่ๆนนะก็ここยังอยากกลับไปที่เก่าชี้เหล้าเมายาติดยาเล่นการพนันทะเลาะวิวาสทำร้ายกันปล้นชิงกันผิดศีลผิดธรรมก็กลับไปที่บ้านเก่าถ้าเราหนีขึ้นมาอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่งล่ะ เมมันมีศีลมีธรรมขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้พวกเรารู้นะอันแรกคือเราจะฝึกให้เกิดคำว่าสติขห้นมาตอนที่เราจะไปเดินปัญญาได้เนี่ยเราต้องมีสองเครื่องมือมีเครื่องมือสองตัวสติตัวหนึ่งสมาธิอีกตัวหนึ่งสติเนี่ยเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจร่างกายหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึก ก็เห็นร่างกายหายใจอยู่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอยู่อนี้เรียกมีสติรู้สึกอยู่ในกายเวลามีความสุขเกิดขึ้นก็รู้สึกเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกอย่างนี้เรียกว่ามีสติอยู่กับเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์โลภขึ้นมาก็รู้โอบหายไปก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้โกรธหายไปก็รู้ พงซ่านก็รู้หดหูก็รู้นะใจเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาก็รู้เช่นอยากภาวนาขยันภาวนาก็รู้ขี้เกียจภาวนาก็รู้นี่หัดรู้อย่างนี้อันนี้เรียกว่าจิตตานุปัาสนาสติปัฏฐานฝึกรู้ทันจิตใจที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเพื่อให้เกิดสติสติไม่ใช่มีใครมาสั่งให้เกิดได้ สติเองเป็นอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นอนัตตาสติเองก็เป็นอนัตตาเราสั่งให้เกิดไม่ได้แต่เราฝึกได้เราฝึกให้สติเกิดเราต้องรู้ว่าสติเกิดเพราะอะไรแล้วเราก็ทำเหตุของสติบ่อยๆสติเกิดได้เพราะจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเช่นจิตมันจำความโกรธได้แม่น พอมันโกรธปุ๊บมันจะรู้ทันว่าอ้าวโกรธแล้วจิตมันจําความโลภได้แม่นพอความโลภเกิดขึ้นสติจะเกิดเองจะรู้ทันว่าอ้าวโลภขึ้นมาอีกแล้วความโลภเกิดก่อนความโกรธเกิดก่อนนะสติก็รู้ตามรู้หายใจออกหายใจเข้าค่อยรู้สึกไปนะส่้นเราเวลาซ้อมอะหายใจออกคอยรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนะี่ยต่อมาพอเราเผลอตัวโกรธขึ้นมา กิเลสครอบงําหรือว่าเห็นสาวเห็นสาวสวยตรงใจถูกสเปคใจเต้นตุ้มตุ้มตุมนะเนื้อร่างกายมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วสติมันจ ะ, ะระลึกรู้ได้ว่าร่างกายเนี่ยหัวใจเต้นแรงและหน้าแดงเลือดขึ้นหน้าตื่นเต้นใจเต้นตุ้มตุ้มตุมสติเป็นตัวรู้ทันนะว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจมันจะรู้ได้ถ้ามันเคยรู้ มันจะรู้ได้เร็วถ้ามันเคยรู้บ่อย่นเราจะมาฝึกให้มันรู้ได้เร็ววิธีฝึกให้มันรู้เร็วก็คือรู้บ่อยๆพอเรารู้บ่อยๆนะจิตมันเคยชินจะรู้อะไรเกิดขึ้นปุ๊บมันจะรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้รู้โดยไม่เจตนาจะรู้นั่นแหละสติตัวจริงจงใจจะรู้นี่ใช้ไม่ได้มันเจิดด้วยโลภะสติไม่เกิดขณะที่จงใจจะรู้เนี่ยโลภะกาลังเกิด ขณะที่โลภะกําพลังเกิดอยู่สติจะเกิดไม่ได้เพราะสติไม่เกิดร่วมกับกิเลสเพราะฉะนั้นต้องไม่มีความอยากจะเห็นนะไม่มีความอยากจะรู้นะถึงจะรู้หัดรู้บ่อยๆหัดรู้สภาวะไปคนไหนดูจิตได้ก็ดูจิตไปเลยเช่นเห็นจิตดีบ้างรายบ้างคนไหนขี้โมโหก็ดูไปอ้าวโกรธแล้วหายโกรธแล้วโกรธอีกแล้วหายโกรธอีกแล้ว ด, ดูอย่างนี้เรื่อยๆ จิตจำสภาวะความโกรธได้แม่นแล้วต่อไปพอความโกรธเกิดไม่ต้องเจตนาจะรู้มันก็รู้ได้โดยไม่ต้องเจตนานน เ, เรียกสติมันเกิดละคนไหนขี้โลคเห็นอะไรก็อยากได้เป็นหมดเลยเห็นมือถือตัวนี้ก็อยากได้อีกตัวหนึ่งก็อยากได้ตัวโน้นก็อยากได้มีสิมค่ายนี้แล้วก็ต้องมีค่ายหนึ่งอยากได้อยากเป็นหมดทุกอย่างเลยอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เนี่ยถ้าเราคอยรู้ทันใจมันอยากขึ้นมาเรารู้ใจมันอยากขึ้นมาเรารู้คอยรู้บ่อยๆต่อไปไม่ได้เจตนาจะรู้เลยนะเพราะความอยากเกิดขึ้นสติเกิดเองรู้ได้เองรู้โดยไม่เจตนาจะรู้นั่นะแหละสติตัวจริงคนไหนไม่ค่อยมีกิเลสใจสบายสงบสบายวันๆ น, นะสงบสบายไม่มีอะไรให้ดูเลยก็มาดูร่างกายก็ได้ ร่างกายหายใจออกก็คอยรู <les S 1> ้สึกตัวร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกตัวร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายถ้าจิตมันเฉยนะแถ้าจิตมันมีความเปลี่ยนแปลงให้ดูเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหายเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหายอะไรเงี้ยก็ดูจิตไปถ้าจิตมันเฉยไม่มีอะไรให้ดูบายสบายๆโล่งๆว่างๆดูกายก็เห็นร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายเดี๋ยวก็หายใจเข้า ร่างกายเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนรู้สึกอย่างนี้ต่อไปไม่ต้องตั้งใจจะรู้นะอย่างพอโกรธขึ้นมาเนี่ยลมณหายใจเปลี่ยนจังหวะเวลาโกรธหรือเวลาโลภอย่างเวลามีความใคร่แรงๆใช่ไหมจังหวะหายใจก็เปลี่ยนเวลาโกรธแรงๆนี่จังหวะหายใจก็เปลี่ยนที่จริงโลภนิดหน่อยโกรธนิดหน่อยก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าดูยากมันละเอียด พอจังหวะหายใจเปลี่ยนเนี่ยเราเคยหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกมันจังหวะมันเปลี่ยนปุ๊บมันรู้สึกเองเลยไม่ได้เจตนาจะรู้สึกมันก็รู้สึกนี่แหละเรียกว่าสติตัวจริงนะอยู่ๆมันไม่เกิดต้องซ้อมเพราะฉะนั้นต่อไป น, นี้ซ้อมนะลงมือแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่หนึ่งฝึกให้มีสติหายใจออกคอยรู้สึกเห็นอะไรเห็นร่างกายหายใจออกอย่าไปจ้องลมหายใจนะ หายใจเข้าก็รู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้าอย่าไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจยืนเดินนั่งนอนก็แค่รู้สึกว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่าไปจ้องอยู่ที่ร่างกายแค่รู้สึกห้ามจ้องถ้าจ้องแล้วใจจะแข็งทื่อใช่ไม่ได้หรือดูความสุขความทุกข์ก็ได้มีความสุขเกิดขึ้นในใจรู้มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจก็รู้หัดรู้ความรู้สึกไป หรือหัดรู้รอบโกรดหลงคนไหนขี้โลภก็ดูโลภเป็นหลักคนไหนขี้โกรดก็ดูโกรดเป็นหลักคนไหนฟุ้งซ่านก็ดูฟุ้งซ่านเป็นหลักแต่ถ้าฟุ้งซ่านมากจะดูไม่รู้เรื่องให้มาดูกายดูจิตไม่รู้เรื่องมันฟุ้งเกินก็ให้มาดูกายเพราะร่างกายนี้ไม่เคยฟุ้งซ่านร่างกายใครเคยฟุ้งซ่านบ้างนี้ไหมฟุ้งซ่านไม่ได้ลักษณะของร่างกายฟุ้งซ่านไม่เป็น ที่ฟุ้งซ่านคือใจเท่านั้นเองงั้นถ้าใจเป็นฟุ้งซ่านมากดูจิตใจไม่ออกนะมาดูกายกายไม่เคยฟุ้งซ่านจะเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปทุกคนต้องมีเครื่องอยู่ของจิตสักอย่างหนึ่งทุกคนนะต้องมีเครื่องอยู่ของจิตสักอย่างหนึ่งคนไหนที่โกรธก็ เ, เห็นน่ยจิตเ ด, ดเดี๋ยวก็โกรธ เ, เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หาย เนี่ยใช้กิเลสของเรานี่แหละเป็นเครื่องอยู่ใช้จิตเป็นเครื่องอยู่จิตที่เป็นกิเลสจิตมีกิเลสจิตไม่มีกิเลสอันนี้เรียกว่าจิตตานุปัสนาตามรู้จิตเนืองเนงไม่ชอบที่จะรู้จิตหรือดูจิตไม่ได้ดูไกลก็ได้เห็นกายหายใจออกรู้สึกกายหาใจเข้ารู้สึกกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกกายเคลื่อนไหวกายหยุดนิ่งรู้สึกอันนี้เรียกว่ากายานุปัสนาตามรู้กายเนืองเนือง แล้วกายมีความสุขกายมีความทุกข์ก็รู้สึกเอา น, นี่ดูยากนิดหนึ่งละเดียจิตใจสุขจิตใจทุกข์อันนี้ดูง่ายกว่าสิในร่างกายเนี่ยเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่ได้ทุกทีเดียวทั้งตัวนะเปสังเกตให้ดีมทุกเป็นหย่อมยอมทุกเป็นที่ที่บางที่ทุกบางที่ไม่ทุกหรอก้ทุกพร้อมกันหมดเลยแตกเลยทนไม่ไหว แล้วความทุกข์ไปลาเกิดในร่างกายก็มไม่ได้คงที่นะเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดียว au, หายไปอ้าวเดี๋ยวกลับมาใหม่เนี่ยเราคอยรู้สึกอยู่พวกเราบางคนเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งปวดมากเลยแล้วว่าเวลาปวดขึ้นมาเนะีเห็นกายอยู่อันนึงปวดอยู่อันนึงใจอยู่อันนึงนะสนุกขึ้นมานะบอกหมอว่าไม่ต้องให้หมอฟีนมีนะหมออยากให้มากเลยกลัวเธอจะทรมานมากอย่าเพิ่งกำลังมัน เราสนุกนะกำลังแยกขันสนุกอยู่เราฝึกนะเราค่อยๆฝึกไปอันแรกที่สอนให้ฝึกนะฝึกให้มีสติก่อนสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับกุศลเท่านั้นจนะนไม่เกิดร่วมกับอกุศลถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลอย่างเดียวไม่เป็นอกุศล เมื่อไรขาดสติไปนะจิตก็ไม่เป็นกุศลละฟังภาษาที่หลวงพ่อพูดตั้งฟังให้ดีนะพอมีสติขึ้นมาก็มีกุศลนะจิตเป็นกุศลทันทีที่มีสติสติหายไปเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าจิตเป็นอ ก, กุศลนะหลวงพ่อบอกว่ากุศลมันหายไปเวลาไม่มีสติ ก, กุศลไม่มีจิตจะเป็นอ ก, กุศลก็ได้นะ เิจยจเฉยๆไม่เป็ น, นกุศลอกุศลก็ได้เป็นวิบากเฉยๆอย่าในขณะที่ตามองเห็นรูปเนี่ยเป็นวิบากจิตไม่มีกุศลไม่มีอกุศลไม่มีสติหรอกตอนนั้นที่ตาขณะที่เห็นนะแต่พอเห็นแล้วเนี่ยบางทีจิตก็เป็นกุศลบางทีจิตเป็นอกุศลถ้าจิตเป็นอกุศลเนไม่มีสติถ้าเป็นกุศลจิตมีสตนะิเนี่ยธรรมะมันประณีตนะมันไปมั่วๆไม่ได้หรอกเรื่องของจิตใจประณีตมากเลย หักรู้สภาวะนะถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปดูจิตอาจจะดูกิเลสหรือดูสุขทุกข์ในจิตก็ได้ถ้าดูจิตไม่ได้ก็ดูกายเหรเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูฝึกนี้เรื่อยๆนะฝึกให้มีสติฝึกดูสภาวะซ้าๆไปจิตจาสภาวะได้แม่นแล้วสติเกิดเอง อย่างคนไหนขี้โกรธเนี่ยเราเห็นความโกรธเกิดก็รู้ความโกรธเกิดก็รู้ต่อไปพอความโกรธเกิดปุ๊บมันรู้เองไม่ได้เจตนาจะรู้เราดูใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เฉยเงี้ต่อไปพอใจมันสุขขึ้นมาน่ะไม่ได้เจตนาจะรู้ก็รู้เองแต่ใจที่สุขเนี่ยดูยากกว่าใจที่ทุกนะใช่ไหมเวลาทุกเนี้ยขยันดูเวลาสุขมันจะเพลิเลนเนี่ย น, นั้นที่ราคะเพลิลน งันเวลาไปเป็นเทวดานะถ้าไม่ได้ภาวนาไว้ก่อนให้ชํานาญนะโอกาสภาวนายากนะมันมีความสุขเยอะแต่ตกนรกไปก็ภาวนาไม่ได้มันทุกเยอะไปเป็นมนุษย์ตอนเนี้กําลังดีทุกบ้างสุขบ้างทุกขกสุขใครมากกว่ากันใครรู้สึกว่าทุกเยอะกว่าสุขยกมือสิใครเห็นว่าสุขอย่างเยอะกว่าทุกยกมือสิไม่ต้องเกรงใจนะใครเห็นอย่างนั้นหลวงพ่อจะโมทนาเพราะบุญเยอะ มีสองช้อยนะหนึ่งบุญเยอะเพราะสองดูไม่เป็นมีสองประเภทนะไม่ใช่ว่าเลวเสมอไปก็เกิดมามีบุญนะมีแต่อิทธารมมีแตอารมณ์ที่ดีมีแต่ความสุขตลอดเลยป่วยไข้ก็ไม่เป็นบางคนไม่เคยป่วยเลยนะทั้งชีวิตเมยมีแต่หายากสมัยพุทธกาลมีพระองค์นึ่งอายุต้องร้อยกว่านะเกินร2อยี่สิเ็ อยยี่สิบเพว่าเยอะแล้วองค์นี้เกินไม่เคยป่วยเลยวันที่ท่านจะนิพพานนะท่านก็ถือลูกกุญแจมากุญแจกุติเห็นไหมสมัยก่อนยังมีลูกกุญแจของกุติเลยแสดงว่ามีขโมยเหมือนกันเนะี่ยแล้วถือลูกกุญแจมนาะในที่ประชุมสงฆ์นะคืนกุญแจให้แล้วก็นั่งสมาธินิพพานตรงนั้นเลยเกิดมาไม่เคยป่วยเลยองค์นี้ยเป็นเอตทักขาทางไม่ป่วย เอาเป็นจริงๆนะสร้างบา ร, รมีมาแสนกลับก็จะเป็นเอตทักฆาทางไม่ป่วยแสนกลับนี่ท่านต้องป่วยมาเยอะแล้วนะเพราะเราไม่ได้หวังบา ร, รมีใหญ่ขนานั้ น, นเราป่วยไม่นานยี่0กบสากับอะไรเงี้ยก็คงผลแล้วล่ะไม่นานไม่ถึงแสน <c oughs> ฝึกสตินะเพราะฉะนั้นไปทำกันบ้าน พวกเ ข, าข้าคอสหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกก็ได้ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวอย่าใจลอยรู้สึกสบายๆนะเคล็ดลับก็คือรู้สึกสบายๆไปแล้วถ้าใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้อย่างเราไปพักเนะีห้องพักของเราสู้ของเพื่อนไม่ได้เราโกรธแล้วเราไม่พอใจเราก็รู้เอานะหรือห้องพักเราดีกว่าเพื่อนนะเรารู้สึกสะใจ เนไหมไอคนที่เราเกลียดได้ห้องนี้มีมดมาอยู่อะไรเงี้ยหรือห้องเนี้ยมีตุ๊กแกตัวหนึ่งซ่อนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยสะใจก็รู้ทันเยหัดรู้นะหัดรู้สภาวะไปแล้วสติจะได้เกิดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนอีกตัวหนึ่งสมาธิถ้ามีสติมีสมาธิแล้วก็จะเดินปัญญาได้ละเอาส่งกันบ้านบ้านค่ะหลวงพ่อเธอที่ ที่ตอนแรกบอกว่าพุ่งมากอะค่ะก็คือหลวงพ่อให้ไปหาที่อยู่ให้จิตเนี้ยค่ะก็ไปนั่งนั่งสมาธิเหมือนกับว่าเหมือนแข็งเกินไปค่ะก็เลยไปเดินจงกรมก็รู้สึกตัวเยอะขึ้นเออดีฉลาดเราก็ต้องฉลาดในการปฏิบัตินะรู้ว่าทำอย่างนี้ผิดนก็ไม่เอาเปลี่ยนไปกรรมฐานมีเยอะแยะไปก็บริกรรมแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังคิดเยอะอะค่ะ คิดเะห้ามไม่ได้หรอกมันเป็นกรรมพันธ์พ่อเราก็คิดเยอะนะปู่เราก็ช่างคิดนะงัอนเราห้ามไม่ได้หรอกมันคิดไปล้วก็คอยรู้สึกเอานะอย่าไปหลงเพลินในความคิดเทะนะ่านั้นแครู้ทันว่าใจมันคิดนะแล้วก็กลับมาอยู่กับเครื่องอยู่ของเราจริตจะได้มีสมาธิเยอะขึ้น เคยพอวนาจนเห็นจิตมันแยกออกจากกันมันเกิดดับเกิดดับแล้วก็มีช่องว่างเล็กๆตรงกลางแล้วก็เคยเห็นขันมันแยกออกจากกันด้วยแต่เมื่อสองวันที่แล้วมีเวทนาทางกายเยอะมากคือปวดท้องมากแล้วก็เดินจงกรมอคราวนี้มันแยกไม่ได้ปกติจะแยกกายแล้วก็เวทนาแล้วก็ดูอย่างฮะคราวนี้มันเดินไปด้วยปวดไปด้วยมันแยกไม่ออกมันมัวอย่างฮะมัวรู้ว่ามัวเอานะแล้วอย่าไปเดินมานั่งดู เดินดูไม่รู้เรื่องก็นั่งดูนั่งดูไม่รู้เรื่องก็นอนดูนอนอ น, อ น, นอนดูได้ได้อย่าหลับไปก็แล้ว ก, กั น, น, กนดูกายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งค่อยดูไปเด้่อันนี้มันเป็นบททดสอบนะว่าต่อไปวันข้างหน้าเวลาความทุกข์เจ็บป่วยในร่างกายรุนแรงเนะี่ยเราอย่างสู้ไม่ไหวงั้นเราก็ต้องขยันนะฝึกของเรามากๆ คือปกติเวลาป่วยแล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาปวดเนี่ยหนูจะนอนดูมันแยกได้เพราะมันจะเห็นกายแล้วก็เวียนดูไปพะยูวัดเกรงใจก็เลยเดินจงกรมแล้วไม่เมันไม่ถนัดนะเราถนัดนอนดูเราก็นอนดูนะคนส่วนมากตอนตายเนี่ยนอนนะเพราะงั้นถ้าฝึกกรรมฐานนอนได้ก็เก่งเลยส่วนมากจะนอนหลับไปซะอีกถ้าไม่หลับนายจะแยกได้ใช้ได้ก็วันแรกที่หลวงพ่อบอกว่า ใหก้กล้าที่จะปล่อยอะคะ่ะ mm hmm. คือตอนแรกก็สงสัยตัวเองว่าเราเราไม่กล้าตรงไหน mm hmm. จน mm hmm. เดินไปอีกวันหนึ่งปฏิบัติในรูปแบบไปมาจนตกตอนเย็นนะคะมีความสึกแบบเฮ้ยทำไมจิตใจตอนนี้มันเบาวกว่าวันก่อนที่ห mm hmm. ลวงพ่อทัก mm hmm. ก็เลยบอกอ๋อนี่เหลอที่เรา mm hmm. ไปเพ่งไปแล้วเหรอเออมมันเพ่งแล้วก็ระหว่าง ช่วงที่ผ่านมาก็คือก็สบายใจขึ้นมันรู้สึกเบาขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีอาการบีบเค้นบ้างก็เปลี่ยนอิเลยาบทเอาค่ะต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมก็พยายามที่จะรักษาศีลมาหลายสิบปีนะครับ ขนาดเดียวกันก็มีครอบครัวก็พยายามชักจูงให้คนในครอบครัวนะครับรักษาศีลแล้วก็ฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็มาฟังธรรมที่นี่นะครับนานพอสมควรทีนี้มาถึงวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดวิกฤตในครอบครัวนะครับทีนี้มันปกติการถือศีลของเรานี่ก็ล่อแหลมล่อแหล่เต็มทีนะครับ <c oughs> แต่ละคนนะครับทีนี้ในเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ย จะทำยังไงครับว่าจะปฏิบัติตัวยังไงเพื่อที่จะให้การรักษาศีลของเราแล้วก็การปฏิบัติของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในทํานองครองธรรมหรือว่าที่ที่ยมฝึกไว้มันก็ไม่เสียหลายหรอกนะเป็นฤราวาสเนี่ยจะถือศีลให้หมดจดงดงามเนี่ยยากมากเป็นธรรมดาถ้าศีลมันบกพร่องไปเราก็รู้ว่าบกพร่องไปตั้งใจเอาใหม่ ถือศีลเนี่ยต้องใช้สติปัญญามากมายเลยในการถือมีสติว้นะมีสติว้วคืออย่างถ้าเราไม่เคยฝึกนะวกเวลาวิกฤตเกิดกาสติแตกเลยนะครับออหรือว่าผิดศีลผิดธรรมไปเลยครับข อ, ขออนุญาตหลวงพ่ออีกนิดนะครับทีนี้ในขณะที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับคนในครอบครัวก็ต้องได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยทีนี้ เราจะมีวิธีไหนที่จะบรรเทาไอ้อออตรงนี้นะเพื่อให้เขายังสามารถที่จะอยู่ในรองในลอยได้บ้างเนี่ยครับคือแต่ละคนก็ต้องฝึกนะการที่จะเอาชนะกิเลสได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอย่าเสวนเราพลาดผิดศีลขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าธรรมะมันไม่ดีโอกาสที่แต่ละคนจะผิดจะพลาดเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าผิดแล้วตั้งตัวเอาใหม่ไม่ทำซ้ำอะแค่นี้ก็ดีถมไปแล้ว แต่ละคนนะต้องฝึกของตัวเองแล้วมันจะเห็นผลแต่เดิมถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเคยทุกข์มากจนะทุกข์น้อยลงทุกข์สั้นลงธรรมะจะมาช่วยเราด้วยตรงนี้แหละแต่จะให้มันพ้นไปเลยไม่พ้นออกนะมันยังไม่ใช่ภูมิหรือจะให้ศีลเราบริสุทธิ์หมดจดมันยังไม่ใช่ภูมิบางคนเขาก็ตั้งความคาดหวังเยอะไปนะอย่างว่าเห็นเราเข้าวัดเนี่ย เราโมโหหน่อยเดี๋ยวเขาก็ว่าแล้วเข้าวัดยังไงยิงขี้โมโหอยู่ใครเคยเจอประโยคนี้ไหมเข้าวัดยังไงยงขี้โมโหอิงขี้โมโหไม่เป็นไรเข้าวัดโกรธแล้วฉันยังไม่ได้ตบแกเนี่ยบุญนักหนาแล้วเห็นไหมถ้าฉันไม่ได้เข้าวัดฉันตบแกแล้วปากมากอย่างเงี้ยตอบมันไปอย่างนี้เลยนะไงั้นเราร้ายกว่า น, นี้อีกนะธรรมะช่วยเราได้ขนัดนี้แหละ กัดน้ำมัสการครับโดยรวมก็มันความอยากในมรรคผลมันลดลงครับยอดดีแล้วตอนนั่งขับรถมาขับรถมาเองครั้งแรกมันรู้สึกว่ามันจะกดครับดูดูจิตมามันกดข่มไว้ครับอพอเข้ามาในวัดมันก็ล่าเริงขึ้นอารมณ์ดีขึ้นครับแล้วไงล่ะ ก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติเหมือนทําเป็นหน้าที่นะครับไ ม, ไม่ได้อยากมากยิ่งอยากยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งช้าแต่ว่าต้องอยากไว้ก่อนอย่าไม่อยากเลยมันก็ไม่พัฒนาสาธุครับทนทนเอาหลวงพ่อขอโอกาสน้องใหม่มา การนมัสการพระหลวงพ่อไงอ่าหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสองเดือนแล้วค่ะก็ดีใจมากค่ะวันนี้อหนูจะประมาณว่าชอบมีโทรศัค่ะแล้วไปชอบมันทําไมล่ะไม่รู้อะค่ะมันมันมันแต่ก่อนหนูไม่เป็นค่ะมันมีเองแต่ก่อนหนูไม่เป็นยังเกณฑ์ไหมพอดีค่ะเกณฑมไหมมันโกรธได้เองเราไม่ได้เจตนาจะโกรธนะใช่ค่ะเออ ต่อไปนี้หนูไม่ต้องไปห้ามมันนะแต่ว่ามันโกรธขึ้นมาเราก็ดูไว้เฮ้ยมันโกรธได้เองบอกอย่างนี้นะเออมันโกรธเองท่องไว้อย่างนี้เลยเมื่อสองวันเนี้ค่ะมันแบบมันโกรธจนแบบมันเต้นเลยอะหัวใจแบบมันเต้นออกมาอยู่ข้างนอกอะตึ๊ตึ๊กตึแบบไม่รู้อะไรทำให้โมอ่ะค่ะให้ดูไปนะค่ะเออมันโกรธได้เองแค่สอนมันไปอย่างนี้เรื่อยๆเลย ขอโอกาสครับครัผม อ, อมก็มีโอกาสได้ปฏิบัติแล้วก็คือติดเรื่องประคองตัวรู้ครับเอก็ทีนี้จะขอาการบ้านจากหลวงพ่อไปทําต่อครับอืมสังเกตไหมกายกับใจเป็นคนละอันกันอ่าเห็นเป็นบางครั้งครับนั่นแหละเห็นบางครั้งน่าถูกแล้วถ้าเห็นตลอดเวลาสแสดงว่าเพ่งะนะแวจงใจแยกเอาไว้บังคับไม่ใช้ไม่ได้นะครับเพะั้นมันแยกบ้างรวมบ้างนั่นแหะถูกแล้วมันเป็นภูมิของเราเป็นแบบนั้น ตรงที่สภาวะใดกำลังปรากฏอยู่ก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับขอบคุณครับหลวงพ่อประช่นใจนะลูกศิษย์ภาวนาเนที่ภาคเพียนสอนอยู่ทุกวันนะถ้าสอนแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคงเลิกไปแล้วนะ่ะต้องปล่อยค่อยไปเรียนกับพระเมตไตรเอากล่นะาวนามสการหลวงพ่อค่ะว่าไง ฟังซีดีหลวงพ่อมาก็นานแล้วค่ะแล้วก็ฝึกภาวนามา mm hmm. คือที่ผ่านมาแต่ก่อนก็คือเคยฝึกยุบหน่อกองหนอ mm hmm. ดูลมหายใจแต่ว่า mm hmm. ปรากฏว่าสุดท้ายก็คือเหมือนเหมือนเราไปบังคับนะคะบังคั บ, คคบมากแป เ, เครียดค่ะก็เลยปัจจุบันนี้ก็เลยเหลือแค่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆค่ะหลวงพ่อเวลาที่ทําในรูปแบบก็ก็กําหนดแค่ความรู้สึกตัวค่ะหลวงพ่อทําอะไรลนะ่ะรูปแบบ ก็คือนั่งนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็จะกําหนดสติไว้ตรงตรงกระหม่อมค่ะหลวงพ่อแล้วก็ทําความรู้สึกตัวไปทีนี้ออกเวลาออกมาข้างนอกก็ก็คือพยายามทําความรู้สึกตัวเรื่อยๆเหมือนกันนะคะหลวงพ่อทีนี้ไม่ไม่ค่อยหมานะค่ะอย่างนันนนงนงนง้นเดี๋ยวจิมติดนิ่งๆติดจนหลุดโลกไปมันจะนิ่งกว่าคนธรรมดาไปค่ะเวลานั่งสมาธิหรือทําอะไรก็ตามเราทําใจสบายไม่ต้องไปกําหนดไว้แล้ว ทำใจสบายเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไม่ต้องไปตั้งไว้บนกระบอกหรอกนะคถ้าตั้งไว้จนชินเนี่ยเดี๋ยวต้องมาแก้ทีหลังแก้ยากเีจะติดเพ่งอแล้วที่นี้แก้ไขาการบ้านหลวงพ่อจะให้ทํำยังไงบ้างคะต่อไปหนูก็นั่งไปนะนั่งอยู่ก็เห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูไม่ใช่ดูลมหายใจนะค่ะ แค่รู้สึกในร่างกายนี่แเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายมันทํางานใจเราสบายสบายรู้สบายสบา ย, บายไม่ต้องตังค์จําได้ไหม αι? หลวงพ่อสอนอะไรให้อะไรนะคะหลวงพ่อสอนว่าสอนให้หนูไปทํำยังไงจําได้ไหม รู้ตัวอยู่เฉยๆอะค่ะไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยเนั่งก็รู้เลยก็รู้อรู้สึกรู้สึกทั้งตัวนะรู้สึกสบายๆไม่ต้องไปตั้งไม่ตรงไหนหรอกลองยิ้มสิยิ้มหวานๆยิ้มหวานเลยเนี่ยเห็นร่างกายเป็นยิ้มอย่างเนี้ยเห็นร่างกายเป็นเอียงเห็นร่างกายมันนะแค่รู้สึกทั้งตัวนะไม่ใช่จ้องอยู่ยิ้มแล้วยังไม่เอานะกราบนพิธการหลวงพ่อค่ะ เว่าจะมาส่งการบ้านว่ารู้สึกว่าภาวนาไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เริ่มรู้สึกเห็นผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ว่าถูกแล้วนะนแต่เราไม่ได้ไปจงใจรักษาผู้รู้ไว้หรอกน ะ, ะมันแยกกันแล้วเราก็เห็นผู้รู้ก็ทําหน้าที่ของผู้รู้ไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดส่วนร่างกายก็ทําหน้าที่ของร่างกายไปสุขทุกข์ดีชั่วก็ทํางานของมันไปขันแต่ละขันก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปไม่เกี่ยวข้องกัน ใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันคิดทั้งวันนะหลวงพ่อห้ามไม่ได้นะจิตมีหน้าที่คิดค่ะก็เราก็เห็นความคิดเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีฮะ ม, มันไปมันไปแบบคาดยัชเข้าไปหมดนะฮะข้านกติบแล้ว ก, แวก็แล้วก็มี มีอยู่วันหนึ่งคะ่ะหลวงพ่ อ, อนั่งนั่งสมาธิก็คือนั่งดูมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกรนตัวเองนะคะแต่ตอนนั้นไม่ได้หลับก็ร่างกายมันหลับนะจิตมันตื่นแล้วก็อีกอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่ อ, อนั่งนั่งรถตู้กลับบ้านนะคะก็ภาวนาอันนี้อันนี้โยมไม่เข้าใจค่ะ่งภาวนาแล้วก็คือรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ ทุกครั้งเวลาเวลานั่งสมาธิพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีกายเนี่ยมันคือมันติดกับกายคือรู้สึกมันเหมือนกับเหมือนมีกายค่ะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยพอลืมตามามันเหมือนกับมันมันมันว่างไปแป๊บเดียวให้เหมือนเอ๊ะเมื่อกี้นี้หลับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็เลยไม่ทราบว่าอันนี้คืออะไรเป็นปกตินะจิตมันค่อยๆขึ้นมาจากระว่างค่อยออกมารับรู้ มันทวนไปช่วงหนึ่งมันจะแบงคอยู่แล้วในนั้นไม่มีอะไรว่างๆอ๋อค่ ะ, <น>ะแล้วก็อยากกลับถามหลวงพ่อว่าควรจะปรับปรุงแล้วก็ควรจะใช้ชีวิตสบายๆถือศีลห้าไว้ก็เห็นกาเห็นใจเห็น่าตเห็นขันเ้าทำงานของเขาไปอย่างนี้แหละนะไม่เข้าไปแทรกแซงเขาหรอกแต่ว่าใจเราเวลามันคิดว่าทำยังไงจะดีวันนี้ทําไงจะดีนี่ให้รู้ทันเลยว่าโลภค่ะนะ รู้ทันก็ไปแล้วก็รู้สภาวะไปสบายๆต่อไปขอบพระคุณมากค่ะหลวงพ่อการนมัสการค่ะหลวงพ่อหรู้เห็นก่อนที่บางทีเราจะทําอะไรก็ตามก็มันจะเหมือนมีความความอยากซ่อนอยู่ที่จะผลักดันให้เราต้องไปทําสิ่งๆนั้นต่อใช่ใช่การกระทํานั่นนะเรียกว่าสร้างภพหรือการกระทํำกรรม เบื้องหลังเข้ามาก็คือตัณหาค่ะนะความวอยากค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะหนูก็ไปเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะกับแฟนเสร็จแล้วไม่รู้แฟนทําอะไรให้โกรธอะคะ่ะคือโทรศัพท์มันก็ผุดขึ้นมาวันนั้นรู้สึกว่ามันโกรธมากเสร็จแล้วมันก็มีความอยากผุดขึ้นมาแบบว่าต้องไปทําสิ่งสิ่งนี้นะต้องต้องต้องทำอะคะ่ะเสร็จแล้ว หนูก็เกิดความรู้สึกว่ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมามากเลยค่ะแบบเกิดความทุกข์มากๆตอนนั้นไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนนะคะหลวงพ่อแฟนเราจะได้มีความสุขเกิดความทุกข์แล้วรู้สึกว่าเราตัวเราจะต้องทําไมตัวเราจะต้องอยู่ภายใต้กิเลส <ừ> ตลอดเวลา <ừ> ตอนนั้นก็ยืนตัวชาอยู่กลางห้าง <laughs> นะคะอสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ ก็ค่อยใช้ชีวิตต่อค่ะหลวงพ่อดีแล้วก็หนูจะนั่งสมาธิก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อก็คือใช้วิธีนั่งแล้วก็นั่งขยับพัดบ้างอะไรบ้างแล้วก็บางทีนั่งฟังซีดีค่ะระหว่างขณะที่นั่งฟังก็จะรู้สึกว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายตลอดเวลาแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะทีปวด บางทีก็คันบางทีก็ปวดตรงนี้ต้องขยับบางทีขยับไปแล้วเพิ่งรู้ตัวได้ว่าเ อ, อเพราะว่ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นเลยทำให้เราต้องขยับเพื่อให้หนีความทุกข์อย่างนี้ค่ะ<ด>ก็ขอการบ้านหลวงพ่อต่อค่ะหนูทำได้ดีแล้วนะจะ <c oughs> ทำต่อไปใช่ได้ขออนุ ญ, ญาตให้สามีด้วยค่ะเ <c oughs> <c oughs> อ๊ะเมื่อกี้บอกแฟนอาว่ามา ครับตอนนี้ภาวนาอยู่นะครับแต่ว่าพอตาหูจมูกลิ้นไปสัมผัสอะไรได้เนี่ยกลับเห็นว่าตัวเองหยุดภาวนาณนะช่วงจังหวะนั้นนะครับแล้วกลับมาภาวนาใหม่ขณะที่ตาเห็นขณะนั้นไม่ได้ภาวนาถูกแล้วยังก็เมื่อกี้เห็นพระเดินมาปั๊บแวบสายตาปุ๊บสัมผัสได้แล้วว่าเอ๊ะลืมภาวนาณนะช่วงจังหวะขณะนั้นอ่นะไม่มีใครภาวนาได้ครับ เพราะว่าจิตดวงที่ไปมองเห็นจิตที่ได้ยินเลยเนี่ยเป็นวิบากจิตไม่ใช่กูโซลจิตเพราะงั้นดวงนั้นไม่มีทางภาวนานะกระทั่งพระอาหารหันต์เวลาที่เห็นเนี่ยไม่ได้ภาวนานะออืเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วเข้าใจถูกในขณนะนั้นไม่มีอะไรไม่มีความหมายอะไรไม่บวกไม่ลบพอจังหวะเพราะว่าผมภาวนาอยู่ปุ๊บพอมาจะคันเนี่ยณนะช่วงคันตรงนั้นผมไม่ได้ภาวนาผมลืมไปว่าผมลืมภาวนา อ, อ ผม ก, ก็ผมก็ภาวนาต่อผมก็ไปเก่าที่หลังเออแค่รู้ทันนะว่าว่าเผลอไปแล้วแค่นั้นก็พอละแล้วก็เก่าไปครับนะใช้ได้ครับที่ทําอยู่ถูกไหมครับถูกแต่อย่าคิดเยอะนะภาวนาที่มันไม่ซับซ้อนมากง่ายๆเรารู้จักแมมภรรยาไปว่าอะไรหรือไม่สามีไปว่าอะไรหรือไม่สามีว่าผู้เป็นเจ้าของ ภรรยาแปลว่าผู้ถูกเลี้ยงงั้นถ้าหากบ้านไหนาจะกลับกันนะผู้ชายอาจจะเป็นภรรยาก็ได้ผู้หญิงเป็นสามีเป็นเจ้าของเนี่ภาษาบาลีนะงานนมัสการกับหลวงพ่อตอนนี้ตื่นเต้นค่ะหลวงพ่อคะฟังซีดีหลวงพ่อมาระยะหนึ่งแล้วอะคะ่ะแล้วเพิ่งมารู้พอฟังถึงได้รู้ว่าตัวเองติดเพลง ทีนี้ก็พยายามแก้เพลงของตัวเองอยู่ค่ ะ, ะแล้วจะทํายังไงปกติถ้าเกิดติดเพลงอะค่ะก็เหมือนกับว่าพอรู้ว่ามันมันเข้าไปอะค่ะเราก็ก็รู้มันเฉยๆแต่ว่ามันมันไม่หลุดมันเหมือนที่เคยฟังหลวงพ่อว่าเป็นวิบากมันก็จะเหมือนมึนๆทิ้งไเปเลยรู้สึกใหม่เริ่มต้นใหม่หใจเอาใหม่<อ>ทิ้งตรงนั้นไปเลย อ๋อแล้วเราก็ตามดูปกติใช่ไหมย็อนอ่นทิ้งไปเลยค่ะนะปกติไปน่แก้เหนื่อยมาเปล่าค่ะปกติโยมจะพอพอรู้ว่าติดเพ่งปั๊บโยมก็จะขยับร่างกายมันก็จะหลุดออกมาค่ะแล้วก็จะใช้การขยับร่างกายเป็นเหมือนเป็นวิรหารธรรมของตัวเองใช่ไหมคะใช่ได้ทุกขยับไปน้ําก็เห็นหน้ากายมันส่วนหนึ่งใจมันส่วนหนึ่งกายใจมันก็คละอันเพราะว่าของโยมจะใช้ เหมือนที่ฟังเป็นประจำก็คือขับรถก็จะฟังซีดีของหลวงพ่อค่ะโยมก็จะเห็นความความกลัวเวลาที่ต้องเบรกรถหรือเห็นรถตัดก็จะเห็นความกลัวแล้วก็เห็นความอยากอยากแซงอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถูกไหมคะหลวงพ่อถูกจิตจิตของโยมเริ่มดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วล่ะเห็นไหมว่ามันมีโทสะแทบอยู่เรื่อยๆเห็นค่ะใช้ได้เริ่มเห็น ตัวเล็กๆด้วยค่ะว่ามันหูดงิดใช่มันจะแทรกตลอดเลยนะตัวเล็กตัวน้อยถูกต้องแล้วแสดงว่าปฏิบัติอยน้ดีขึ้นแล้วนะคะถูกคือโยมปฏิบัติด้วยการดูร่างกายค่ะก็ดีแล้วดูด้วยการทำอะไรก็รู้ตัวการทำงานทำอะไรก็รู้ว่าจะยิบจะจับอะไร ไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะแนะนำให้ปฏิบัติยัยงไงก็ทำนะอย่างนั้นแหละ <c oughs> แต่ถ้าใจเราไปยึดถือนะในความคิดความเห็นของเรานะ <c oughs> ต้องอย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้ดีเลยรู้ทันมันเลย <c oughs> <c oughs> เราจะสบายขึ้น <c oughs> ไปทำต่อไปอาเชิญกลับบ้าน